เรื่องเข้าจําบรรษาไม่ภาสุกดังประสูสั Bea, ตย์อยู่ร่วมกันลําดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าโมฆะบุรุษพวกนี้เป็นผู้อยู่ไม่ผาสุกเลยยังยืนยันว่าอยู่เป็นภาสุกทราบว่าโมฆะบุรุษพวกนี้เป็นผู้อยู่ร่วมกันอย่างประสูสัตย์ยังยืนยันว่าอยู่เป็นภาสุกทราบว่าโมฆะบุรุษพวกนี้เป็นผู้อยู่ร่วมกัน อย่างแพะยังยืนยันว่าอยู่เป็นพาสุขทราบว่าโมฆะบรุษพวกนี้เป็นผู้อยู่ร่วมกันอย่างศัตรูยังยืนยันว่าอยู่เป็นพาสุข